หลักที่ควรทราบเกี่ยวกับความถูกต้องผิดพลาดของความรู้อย่างที่สองคือเรื่องวิปราชหรือวิปรลสดสาวิปราชคือความรู้คลาดเคลื่อนความรู้ที่ผันแปรผิดพลาดจากความเป็นจริงหมายถึงความรู้คลาดเคลื่อนขั้นพื้นฐานที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดหลงผิดการลวงตัวเอง วางใจวางท่าทีประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อโลกต่อชีวิตต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและเป็นเครื่องกีดกั้นขัดขวางบังตาไม่ให้มองเห็นสัจพาวะวิปลาสมีสมอย่างคือ 1. สัญญาวิปลาสสัญญาคลาดเคลื่อนหมายรู้ผิดพลาดจากความเป็นจริง 2. จิตตะวิปลาสติดคลาดเคลื่อน ความคิดผิดพลาดจากความเป็นจริง 3. ทิฏฐิวิปราพทิฏฐิคลาดเคลื่อนความเห็นผิดพลาดจากความเป็นจริงสัญญาวิปราพหมายรู้คลาดเคลื่อนเช่นคนตกใจเห็นเชือเป็นงูกาและกวางป่ามองหุ่นฟางสวมเสื้อกางเกงมีหม้อครอบเห็นเป็นคนเฝ้านาคนหลงทางเห็นทิศเหนือเป็นทิศใต้ เห็นทิศใต้เป็นทิศเหนือคนเห็นแสงไฟโฆษณากระพิบอยู่กับที่เป็นไฟวิ่งเป็นต้นจิตตวิปลาดความคิดคลาดเคลื่อนเช่นคนบ้าคิดเอาหญ้าเป็นอาหารของตนคนจิตฟั่นเฟือนมองเห็นคนเข้ามาหาคิดว่าเขาจะทำร้ายคนเห็นเงาเคลื่อนไหวในที่มืดสลัวคิดวาดภาพเป็นผีหลอกกระต่ายตื่นตูมได้ยินเสียงลูกมะพร้าวหล่น คิดวาดภาพเป็นว่าโลกกำลังแตกเป็นต้นทิฏฐิวิปลาชความเห็นคลาดเคลื่อนตามปกติสืบเนื่องมาจากสัญญาวิปลาดและจิตตบวิปลาชนั่นเองเมื่อหมายรู้ผิดอย่างไรก็เห็นผิดไปตามนั้นเมื่อคิดวาดภาพเคลื่อนคลาดไปอย่างไรก็พลอยเห็นผิดเชื่อถือผิดพลาดไปตามอย่างนั้นเช่นเมื่อหมายรู้ผิดว่าเชือกเป็นงูก็อาจลงความเห็นยึดถือว่า สถานที่บริเวณนั้นมีงูหรือมีงูชุมเมื่อหมายรู้ว่าพื้นแผ่นดินเรียบราบขยายออกไปเป็นเส้นตรงก็จึงลงความเห็นยึดถือว่าโลกแบนเมื่อคิดไปว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นไปเคลื่อนไหวต่างๆก็ต้องมีผู้จัดแจงผลักดันก็จึงลงความเห็นยึดถือว่ า, ฟ, า, ฟ, าฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวฝนตกน้ำท่วมมีเทพเจ้าประจำอยู่และคอยบันดาล ดังนี้เป็นตน้นตัวอย่างที่กล่าวมานี้เป็นชั้นหยาบที่เห็นง่ายๆอาจเรียกอย่างภาษาพูดว่าเป็นความวิปลาสขั้นวิปริตส่วนในทางธรรมท่านมองความหมายของวิปลาสอย่างละเอียดถึงขั้นพื้นฐานหมายถึงความรู้คลาดเคลื่อนชนิดที่ไม่ใช่มีเฉพาะในบางคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่มีในคนทั่วไปแทบทั้งหมดอย่างไม่รู้ตัวคนทั้งหลายตกอยู่ใต้อิทธิพลครอบงำของมัน และวิปปลาทั้งสามชนิดนั้นจะสอดคล้องประสานกันเป็นชุดเดียววิปปล่าขั้นละเอียดหรือขั้นพื้นฐานนั้นเพิ่งเห็นตามบาลีดังนี้เช่นในวิปปลา ส, สูตรอังคุตระนิกายจตุการนิบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัญญาวิปปล่าจิตตะวิปปล่าทิฏฐิวิปปลามีสอย่างดังนี้สี่อย่างอะไรบ้าง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 สัญญาวิปลาสจิตตะวิปลาสทิฏฐิวิปลาสในสิ่งที่ไม่งามว่างามวิปลาสเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมเจริญปัญญาและก็เป็นเป้าหมายของการฝึกอบรมปัญญาที่จะกำจัดมันเสียการพัฒนาความรู้และเจริญปัญญาตามวิธีที่กล่าวมาแล้วล้วนช่วยแก้ไขบันเทาและกำจัดวิปลาสได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โยนิสมนสิการ แบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยและแยกแยะองค์ประกอบตรวจดูสภาวะโดยมีสติพรั่งพร้อมอยู่